เทศนาแผนที่76ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธา น, านีแสดงธรรมในวันที่8สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าบวดมาให้ศึกษาเรื่องจิตตศาสตร์ วันนี้เป็นวันที่แปดสิงหาคมพุทธศักราชสอง8รห้าสบดพระในวัดของเราขณะ น, นี้ช่วงนี้พระทั้งหมดห้าสิบสองรูปแต่พระที่จำบรรษาสี่สิบเก้ารูปแล้วก็วันนี้ลงมาฉัน 36รูปงดฉัน16รูปที่ท่านไม่ฉันเพราะท่านอดอาหารของท่านท่านทดลองในการประกอบคุณงามความดีประกอบความเพียรของท่านท่านทดสอบทดลองดูตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแนะนําสั่งสอนไม่ใช่คําแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อนะให้ไปอ่านในประวัติเล่าธรรมเทศนาของหลวงตา หลวงตาท่านให้กดนอนพรอนอาหารถ้าจะทำความภาคเพียรแล้วก็ทำไมมาอีกสามองค์ท่านมาจากวัดบวรนะท่านบวชที่วัดบวรแล้วก็มาปฏิบัติธรรมชั่วคราวพอท่านไม่ได้บวชตลอดแต่ในพรรษาทำไมบวชได้หรอ ในพระวินัยบวชได้นะคณะัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานอยากไปเข้าใจผิดพระในพรรษาบวชไม่ได้ถ้าหากว่าพระอาจารย์เจ้าอาวาสพระสงฆ์พระอุปชาห้ามไม่ให้บวชปรับอวบทุกกฎอีกต่างหากทำไมทาไมจึงจึงจึงมีวินยัยพระพุทธเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่กรุงสาวัตถี จยาพรรษาที่นั่นจากนั้นนางวิสาขาหลานชายอยากจะบวชแต่อยากจะบวชก็จะบวชหน้าฝนเน่ยในพรรษาเนี่ย ข, ขึ้นมาแล้วอยากจะบวชนางวิสาขาก็เลยเอาไปมอบให้พระเอาไปมอบให้พระสงฆ์ขอให้บวชหลานให้ให้โยมด้วยเถิดหลานโยมอยากจะบวชเป็นพระแต่พระสงฆ์ก็เลยรับเอ๊ไม่ได้หรอกโยม ออกพรรษาซะก่อนค่อยบวชเถอะเพราะว่าพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตแต่ก็ยังไม่ห้ามไม่ห้ามและไม่อนุญาตแต่ถ้าว่าพวกเราเอาหลานของโยมบวช เ, เข้าไปนี่ยพระพุทธเจ้าอาจจะมีวิรัยห้ามเข้ามาทําให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายในขณะที่จําพรรษาพระต้องการความสงบแต่เอามาบวช ักระทำให้คณะสงฆ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายพรามันเตรียมการบวชวันนั้นออกพรรษาซะก่อนท่านยโยมนะ เ, เดี๋ยวพวกอาตามาจะเป็นต้นบัญญัติภิกะพิุใดบวชคุณระบุตรในพรรษาปรับอวบัด อ, อ, าอาตามาเขาไม่อยากจะเป็นต้นบัญญัต เ, เป็นต้นเรื่องอจากนั้นประสงค์กับปฏิเสธไปพอปฏิเสธ หลานานางวิสาขาพอออกพรรษาแนละ้วกลับใจไหมทีไม่บวชเอยพอไม่บวชทางญาตนะิก็เลยรู้สึกเสียใจว่าหลานไม่หลานไม่บวชก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้ามอมฉันขอประทานพรจากพระพุทธองค์ด้วยเถิดคุณระบุตรสุดท้ายภายหลังข้าใครจะจะบวชในพรรษาก็ขอให้พระพุทธองค์ทรงอนุมัติอนุมัติอนุญาต ในการบวชคุณระบุทุดท้ายคุณระบุตรด้วยเถิดเพราะว่าการข่าวที่เขาอยากจะบวชเขาก็มีศรัทธาพอหมดช่วงนั้นไปแล้วเขาก็หมดศรัทธากันหน้าเสียดายขอพระองค์จงขอพระองค์โปรดเมตตาอนุญาตในการบวชกุณระบุ ด, ด้วยเถิดพระเจ้าค่านางวิสาขาพูดอย่างนั้นพระพุทธองค์เลยอนุมัติตามเออเอาใช่ ก็ยตั้งบัญญัติวินัยขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดกลุ่มใดก็าตามปฏิเสธคุณลบุตรที่จะเข้ามาบวชในพรรษาปรับอบัปัตุ ก, กต์ <c oughs> กลับไปอย่างนั้นไปอีก<ม>เลยตอนนั้นการบวชในพรรษาไ ม, ไม่ผิดต่อวินัยเนอะอรรถาทายญาติโยมลูกหลานแต่ยุ่งเหยิงไปหน่อยแต่ยุ่งเหยิงไปพอสมควรการบวชนะไ อ, อ้พวกเราคิดดูก็แล้วกัน ขนาดบวชควยนว้าบวชฟักบวชแฟงบวชที่จะทำเป็นอาหารเราน่นยังเราจะได้เตรียมกระทะเตรียมทับพีเตรียมของหวานเตรียมกะทิมะพร้าว ขนาดปวดพระทั้งองค์จะมาให้มันยุ่งเหยิงพูดวายมันก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้พี่น้องศรัทธา ย, ยาตโยมพ่อแม่ก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนพระสงฆ์ก็จะต้องฝึกหัดซ้อมเอสาหังพันเตฝึกหัดเอสาหังพันเตกว่าจะได้ก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่เพราะนั้นก็ยุ่งเหยิงไม้มก็ยุ่งเหยิงแต่ถ้าหาว่าคิดในแนแงแงมุม ในเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาแล้วก็ถ้ า, ถ า, ถาพวกเราคิดไกลขนาดนั้นก็ก็ไม่มีปัญหาเพราะลูกหลานเหล่านี้ะจะเป็นทายาท ข, ของพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้านี่นะอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมบางกลุ่มบางหมู่บางคณะอาจจะไม่เข้าใจว่าในพรรษาในบวชได้อยู่เหรอเนี่ยความเป็นมานะ <c oughs> แล้วก็ ในพรรษาอย่างที่หลวงพ่อได้เน้นย้ำหนักหนาสำหรับในวัดของเราในการก่อสร้างที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือว่าการเป็นอยู่เสนาสะนะก็เราก็ทำตั้งแต่หน้าแรงแต่ในหน้าฝนเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ให้พระทํางานหยุดทํางานทั้งหมดให้ตั้งอกตั้งใจภาวนา พอหลวงพ่อเองสมัยสมัยอยู่ที่วัดปา่าบ้านตาดพระอย่างน้อยนะพอเข้าพรรษาเนี่ยท่านจะให้หยุดมดพระไม่ให้กระดุกกระิกไม่ให้ทำงานให้ภาวนาดูจิตดูใจของตนเองวันนั้นหลวงพ่อมาอยู่ณนะสถานที่นี่ถ้าว่าไม่จําเป็นจริงถ้าไม่ถ้าไม่มีงานลูกติดพันนะลูกติดพันคือทำพอทํามันยังไม่เสร็จเนี่ยเอาทําไม่เสร็จซะเลยอนุมูลุกติดพันนะ จะต้องทำให้เสร็จ <c oughs> แต่พอเสร็จแล้วก็หยุดแต่ว่าปีไหนไม่มีงานหนักหนาอย่างปีนี้ไม่มีอะไรหลวงพ่อเออพระไม่ต้องทำการทำงานเนอ่งเดิงกิ จ, จวัดวัดอันนั้นเป็นธรรมดาที่จะสร้างเซนาชนะที่พักพาอาใส่นั้นไม่ควรจะให้มีเสียงดังป่งป่งปังปั ง, ป ง, ปงในวัดให้ภาวนาต่างองค์ต่างอยู่ในความสงบ <c oughs> พระเข้ามา แต่บางองค์พอเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะไม่ได้ยินเสียงค้อนตะปูไม่ได้ยินเสียงการเสียงงานมันเงียบไปเรือกเกินนี่แหละอันนี้ก็คือพระใหม่ต้องศึกษานะจะให้เหมือนทางโลกเขาไม่ได้การทํางานทางโลกเขาอีกอย่างหนึง่งการทํางานของพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ทํางานอีกอย่างหนึงทํางานคนละอย่างคนละแนวหล่นคนละแนวทางกันนะ ไม่ใช่แนวทางเดียวกันถ้าว่าอยู่ทำงานงานแบบเดียวกันมันก็เป็นครวาตไม่ใช่เป็นพระถ้าว่าเป็นพระไปทำงานแบบครวาตก็ไม่ใช่เรื่องอีกเพราะนั้นต้องพระต้องอยู่ในความสงบเพราะนั้นในพรรษาถ้าไม่จำเป็นจริงหลวงพ่อจะไม่ให้ทำการทางานการก่อสร้างให้ สเดือนให้ต้อง อ, อกตั้งใจภาวนาปฏิบัติทั้งพระเก่าทั้งพระใหม่แต่ว่ากิจวัตรขวบวั ด, วดประจําวันอันนั้นมีดูแลเสนาชนะปัดกวาดทําความสะอาดดูแลห้องน้ําหรือว่าเสนาชนะบางที่ลิงกระโดดใส่รังคามันแตกเนี่ยมันรั่วลราจะทํำยังไงไม่ให้ทําอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพอ่อไม่ใช่ต้องทําต้องซ่อมแซมที่มันชำรุดนะเราต้องดู แต่ถ้าหางว่ามันไม่ชำนุดย์จะก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะเอออย่าพิ่งทาออกพรรษาจากรในช่วงนี้เราควรจะสร้างจิตสร้างใจสร้างคุณธรรมเข้าสู่จิตใจตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแต่พวกเราทางว่าได้ยินเสียงลงตาพูดนะท่านไม่ไม่ส่งเสริมเลยท่านด่าหลวงพ่ออีกต่างหาก เ, ออเรื่องก่อสร้าง แต่หลวงพ่อก็ฝังใจนะคณะธรทมาย่าจโจมแต่หลวงพ่อก็ทําทําขึ้นมาแล้วก็อพอประมาณหลวงพ่อก็หยุดนะอย่างพวกลูกหลานได้เห็นเนี่ยนะไม่ได้ทําอะไรอย่างพุ่มเพื่ อ, อพัําเพื่อเนี่ยแต่ทำหลวงพ่อทำเลยแข็งแรงหน่อยเท่านั้นน ะ, ะดูดูแล้วลงตามาเห็นนะ่ยมันหรูหราโอ้อากิเลตนะลงตากระตาําณน ะ, ะแต่หลวงพ่อก็ทําอะไรทําให้ให้ดี ให้ใช้งานได้ดีอันดับหนึ่งแข็งแรงอันดับสองสวยงามเป็นอันดับสานะแต่หลวงพ่อนะ่ยจะเน้นความสวยงามเป็นอันดับสานะคณนะศสัตยาธิโยมนะความใช้งานดีเนะี่ยเป็นอันดับหนึ่งเราสร้างสร้างขึ้นมานี้เพื่อใช้งานอะไรใช้ประโยชน์อะไรเนะี่ยเราต้องมองดูจุดนี้ให้ให้สมบูรณ์แต่ก็ต่อมาให้ความแข็งแรงไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วก็ ผุผุพังพังเร็วๆไม่เอาอันนี้คือนิใสใจหรือวะของหลวงพ่อที่หลวงพ่อทํางานเนี่ยแหละแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะทําในพรรษานอกพรรษาหลวงพ่อก็ต้องหยุด อ, อทําแต่ในพรรษานอกพรรษ า, ใ น, นาในพรรษาเนให้พระทํากิจวัตรข้อวัดทำภาคปฏิบัติแต่โดยมากพระที่เขามาบวชใหม่พอมาเห็นแล้วก็เอ๊ะพระ ครูบาอาจารย์ท่านทำอะไรนะทำไมไม่มีอะไรเงียบเหลือเกินนี่แหละให้พวกเรารู้จักหน้าที่ศึกษาใะบัดนี้พระเนนลูกหลานพระทุกองนะเราเข้ามาศึกษาในภาคปฏิบัติจิตภาวนาให้เราอ่านศึกษาประวัติหลวงปู่ประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็พุทธประวัตินะที่พระพุทธเจ้านี้ออกไปจากเวียงวังไปอยู่ในป่าทั้งหกปี ไปบมเพญอยู่หกปีเนะี่ยท่านมีจอบมีเสียงไปด้วยไหมมีสัต์ราอาวุธไปฝึกหัดใครบ้างไปฝึกซ้อมเรื่องสัต์ราอาวุธไหมท่านมีคณิตศาสตร์ไปคำนวณดาราศาสตรม์มีไหมไปคิดเรื่องอะไรถ้าเราศึกษาลูกหลานลึกศึกษาแล้วพระพุทธองค์ไปศึกษาเรื่องจิตศาสตร์ จิตศาสตร์คือแนวความคิดนี่แหละอันนี้พวกเราลูกหลานเข้ามาแล้วจะไปศึกษา เ, เ, ร, เ, า ร, ร, าเรื่องกา ร, ตรตกรร่อสร้างเรื่องเกษตรกรรมเรื่องวิทยายุทธ์ต่างๆเรื่องคณิตศาสตร์โหราศาสตร์อะไรก็ตามแพทย์ศาสตร์อะไรก็ตามอันนั้นไม่ใช่หน้าที่นะลูกหลานนะไม่ใช่หน้าที่เข้ามาเราเข้ามาศึกษา3เดือนเนี่ยเราเข้ามาศึกษาเรื่องจิตศาสตร์ เรื่องจิตใจความนึกคิดของจิตใจนี่แหละพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราเป็นเพราะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เราถือว่าพุทธังสรารนาังคัจฉามิข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งนั่นแะเออเรามองดูเถะเออพระพุทธเจ้าพาทำยังไงพาดําเนินยังไงในฐานะลูกหลานเราเป็นสา ก, กยบุตร สากยบุตรพุทธชินโนรถเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอพระพุทธพ่อของเราพาทำยังไงนี่แหะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอยู่หกปีบำเพ็ญอยู่ที่อสถานที่ที่พระองค์บำเพ็ญบวชเข้ามาแล้วก็ฝังแม่น้ําอโนมาท่าทีแล้วก็บวชเลยบำเพ็ญเลยเอลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดอดภักยาหารบังอ แต่เราไม่ต้องพูดถึงทีนี้เพราะเหตุไเพราะในช่วงทดสอบทดลองนั้นอ่ะมีมากเหลือเกินเมื่อคนทดลองวิทยาศาสตร์หมดกระดาษไปกี่แผน่นหมดปากกาไปกี่ด้ามหมดจบไปกี่เล่มหมดมีดหมดพระไปกี่เล่มเราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องนับหรอกเพราะว่าท่านทดลองทดสอบยังไม่สำเร็จเรายังไม่เอาเรายังไม่ศึกษาจุดนั้น แต่เรามาศึกษาจุดที่สูตรสาเร็จเนะี่ยวันเดือนหกเพ็นนะพระพุทธเจ้าทําอย่างไรในวันเดือนหกเพ็นนะนั่นนะ่ะเนี่แหละจุดนีนะ้ให้ลูกหลานพระเนนให้ศึกษาทีนี่เนี่แหละหน้าที่อะไรนี่หน้าที่ของพวกเราอถึงพวกเราจะเข้ามาบวชก็ใช่อันนั้นก็คือเตรียมกระทะเตรียมเอหม้อเตรียมทัพพีเตรียมน้ําตงน้ําตาลที่จะที่จะบวชกล้วยะ อแต่อนี้เหรอเมื่อเราเข้ามาบวชก็ลักษณะอย่างนั้นอ่ะพอเข้ามาบวชแล้วก็มีบริคงมีบริคานเข้ามาบวชเอสาหังอครูบาอาจารย์กแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพอเข้เขาที่แล้วทีนี่ยจะทอดกล้วยแล้วนะทีเนี่ยจะบวชกล้วยแล้วนะทีเนี่ยทํำยังไงฮนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสูตรสาเร็จทีท่านว่าให้นั่งขัดสมาธิ เมื่อเราไปบินธบัต เ, เสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วกลับไปกุฏิของเราลี่ประกอบไปพอกับไปแล้วเปลงฟัน เ, เสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนผ้าอะไรเรียบร้อยอดูที่พักพ้าอาศัยปัดกวาดทาความสะอาดเช็ดถูเรียบร้อยอาจากนั้นเราก็ลงเดินจงกรม เ, เดินจงกรมเห็นทางเดินจงกรมมันมีอยู่แล้ว เราไปอยู่สุดทางจงกรมปนมมือขึ้นแล้ววางอกซะก่อนนะไหวครูคือไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนพอเราเข้ามาบวชเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทําตามผู้ใดใครผู้เหนือทาตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพาดําเนินพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนเพราะนั้นเราจึงไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพุทโธธรรมโมสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกที่นำพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนําสั่งสอนพวกเราเราจึงได้รู้หลักธรรมคาสอนเน่ยพราะนั้นเราจึงไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังมโฆ ส, สามจบยืนอยู่จุดทางจงกรมจากนั้นกข็ขาขวาพุทขาซ้ายโทมีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดิน ไม่ต้องคิดไปในอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตเพราะเรา ศ, ศึกษาเรื่องจิตนอจิตวิทยาอจิตวิชชาลึกศึกษาเรื่องจิตไม่ให้จิตปุงฟุ้งไปทางอื่นให้อยู่กับก้าวเดินให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินพดขาขวาพดขาซ้ายโถไม่ต้องเดินช้านะเดินเร็วเพราะใจของเรามันเร็วยิ่งกว่าอะไรอีก วันนั้นเราไม่ต้องเดินช้าเดินเปลี่ยนอริยบทพทุพโทพโธพุทโธพุทโธใหม่ๆควรจะตั้งนาฬิกานะลูกหลานนะบังคับตัวเองทําไมบังคับตัวเองบาเดินหยอกหยอกแย่ๆเราเดินมานห้าชั่วโมงแล้วเปล่าเนทะี่ยพอไปดูนาฬิกาตายห้านาทีเองฮะอมันเดินยุ่โกลมมันไม่ใช่ธรรมดานะกิเลสมันหลอกนะเพราะฉนะั้นเราต้องเอต้องตั้งนาฬิกาไว้ก่อน เดินพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยได้สักชั่วโมงหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ยิ่งดีออันนี้เราตั้งไว้เลยบังคับจกของไวเพราะเรามาบวชเพื่อเพื่อศึกษานะศึกษาจิตต ภ, ภาวนานะเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นนะลูกหลานนะไม่ได้มาเพื่อวิทยายุทธ์อย่างอื่นนะเรามาเพื่อจิตวิทยายุทธยุทธะต่อสู้กับกิเลสภายในใจความรู้สึกนักคิดของเรานะนี่แหละ จากนั้นพอเสร็จขึ้นมานั่งเดินึงกรมเสร็จแล้วก่อนล้างล่าล้างตาล้างไม้ล้างมือเสร็จแล้วขึ้นมาก็ น, นั่งไหวพระซะก่อนก่อนจะนั่งกาพุทโธธรรมโอสังโฆซะก่อนจากนั้นกับปนมมือขึ้นระหว่างอกนั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วหายจากนั้นกับกราบเคารพถึงพุทโธธรรมโมสังโฆอย่างที่เราจะเดินยังกรบนั่นแหละจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงแลพุทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธ ในขณะที่เราเดินกับก้าวขาเรานั่งเนี่ยลมหายใจนี่แหละอันนี้คือหน้าที่ของพวกพระลูกหลานที่เขามาบวชในช่วงนี้ในเทศกาลเข้าพรรษาอยากจะให้พวกลูกหลานเรื่องฝึกหัดเรื่องจิตภาวนาเรื่องจิตใจนี่แหละถ้าหาว่าลูกหลานภาวนาจิตใจได้รับความสงบแล้วนั่นแหละออนัตติสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันจะฝังรึกเข้าสู่จิตใจนะลูกหลานนะถ้าภาวนาได้จิตใจสงบลงไปแล้วลนั่นแหละทนี่เราจะรู้ได้เออกายกับใจใจกับกายออมันเป็นยังไงท น, นนะ่ความหมั่นความขยนันมันเกิดขึ้นมาเองทนีออ่จากนั้นเมื่อเราไปเป็นคราวาดเราก็ยังลําลึกถึงออในการที่เราเข้ามาบวชในคราวนั้นครั้งนั้น เราได้ภาวนาในเวลาเท่านั้นจิตของเราได้รับความสงบเย็นมีความสุขจริงๆตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่านั้นว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราได้รับความสงบทางด้านจิตใจจริงๆมีความสุขจริงนี่แหละในเมื่อเราภาวนาใจของเราได้รับความสงบแล้วเราจะมองเห็นตัวเองอะท่านมองเจ้าของเห็นเจ้าของอะไร อันไหนมันผิดอันไหนมันถูกอันไหนมันควรอันไหนมันไม่ควรสมัยเราเป็นฆราวาสญาติโยมโอ้ทำไมเราจึงไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งไม่เป็นเรื่องเนาะเราก็จะมองเห็นทางคดทางโค้งที่เราเดินมาถึงจุดนี้เรามองเห็นต่อไปนีงงเ่เราจะเดินยังไงชีวิตของเราเราจะเดินยังไงเราจะก้าวยังไงถึงจะไปสิ่งในทางที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นธรรม ในสิ่งที่มันถูกที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราเราจะมองเห็นนะลูกหลานพระเนรนะแต่ถา้าพวกเราเข้ามานี่ยมีแต่ทถืออย่างอื่นเรื่องการเรื่องงานอย่างอื่นเรื่องยูเรื่องฉันเรื่องพูดเรื่องคุยเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องสัพเพเหระขนมาพูดในการเป็นเป็นนักพจน์ักบวดนันเสียหายนะเสียหายไม่ใช่หน้าที่ของพุทธะ พระพูพ้เเจ้าเห็นไหมท่านไปอยู่ตั้งหกปีให้ท่านบําเพ็ญอย่างไรให้พวกเราศึกษาพอวันเดือนหกเพนท่านนะ่ะท่านได้ตัดสรูพระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณที่โขนต้นโพนะปุบเพนิวาสานุญจติญาณลํำลึกชาติผลหลังได้ในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะพ่อพู้เเจ้าบอรมครูท่านบอกตายแล้วไม่สูน่นะปุบเพนิวา ถ้าพระพุทธเจ้าเกิดชาตินี้ชาติเดียวจะระลึกชาติถหนหลังได้ยังไงอย่างพวกเราเกิดมาพระโลกพระเล่เกิดมาวันนี้นี่ยวันเดียวเราจะระลึกถึงเมื่อวานได้ยังไงเอามันเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนฮะเราจะลึกระลึกได้ไหมเราเกิดมาวันนี้วันเดียวมันระลึกไม่ได้แล้วเพราะเมื่อมีวันวานวันก่อนเราเกิดมากี่ปีอย่างหลวงพ่อนี่เกิดมากี่ปีอายุเท่าไหร่จึงระลึกทบทวนได้ แต่เล็กกว่านั้นเราจําไม่ได้เพราะมันเล็กเกินไปแต่พอใหญ่ขึ้นมาเราก็ระลึกได้เลยออในช่วงนั้นเป็นอย่างงั้นช่วงนั้นเป็นงย่ง น, นเอนมองดูตนเองแล้วไง น, นี่แหละอันนี้ไปว่าระลึกถึงโหนหลังออแต่พระพุทธเจ้าท่านมียานทะยานทัศนะทันละเอียดกว่านั้นอีกท่านนึกข้ามพบข้ามชาติแต่ไ อ, อไม่ใช่แต่ชาตินี้ชาติเดียวนะข้ามพบข้ามชาติไปอีก หลายร้อยหลายหายมื่นหลายแสนชาติอีกเนี่ยเพราะท่านมีวิ ช, ชาท่านมีความรู้ของท่านนะอะเพราะท่านได้ได้วิ ช, ชาที่ท่านได้ตัตรู้ในวันเดือนหกเพนนยปุบเพนิวาสานุสติญาณเกิดญาณเกิดญาณทัศนะเกิดความรู้พิเศษเนี่ยพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตยานฮะมองดูคนอื่นพอมองดูตนเองแล้วมองดูคนอื่นเถอะ อใครคาบอกการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายจากที่ไหนมาที่ออกจากนี้่เราจะไปไหนท่านมองเห็นเลกดูเลยท่านว่าเหมือนกับหาฝนมันตกอยู่ในอากาศเม็ดฝนตกในอากาศวิญญาณเกิดตายเกิดตายในโลกวัฏสงสารทั้งปวกทั้งมดทั้งสัตว์ทั้งมแมลงทั้งปลาในทะเลนั่นแหละท่านมีญานมียา น, ยานรัตนะท่านมองเห็นเหมือนกับฝนมันตกอยู่เนี่ย ตกในท้องฟ้าการเกิดการตายของสปปรรพสัตว์ทั้งหลายมากถึงขนาดนั้นแหละมันไม่ใช่วิสัยของพระมหากัจจ ป, ปะมหากัจจ ป, ปะที่ท่านนั่งเข้าสารสมาบัติท่านมองดูจุตูปปตาตาญาณมองดูจุตูปปตาตาญาณการเกิดการตายของสปปรรพสัตว์พระพุทธเจ้าแผ่รัทธมีมาเลยกัสจ ป, ปะไม่ใช่วิสัยของเธอที่จะมองดู จุตูปปาตะยานเป็นวิสัยของพุทธะเท่านั้นฮะพราะพุทธองค์บอกเลยเการมองดูการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นวิสัยของพุทธะพระุทธองค์บอกว่าเหมือนกับเหมือนกับเมล็ดฝนตกลงในอากาศการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายมันมากถึงขนาดนั้นแหละเนี่ยแหละนี่คือจุตูปะปาตะยานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาเกิดที่นี่มาจากไหนเนีพระพุทธเจ้าท่านบอกใหนเลยทํานายให้เลยว่า อย่างหลวพ่ออินมาจากไหนม า, ม, ามาเกิดเป็นในชาตินี้มาจากไหนมาเกิดในชาติก่อนเป็นยังไงนี่แหละท่านก็รู้ได้อย่างพวกเราทุกคนมีที่ไปที่มาทั้งหมดเพราะฉะนั้นแต่ทําไมคนถามว่าทำไมาคนเกิดมาไม่เหมือนกันพราะพทธองค์บอกว่ากรรมกรรมจําแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแปลกแตกต่างกันเพราะกรรมความคิดไม่เหมือนกันการกระทําไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันนั่นแหะ การคิดการทำการพูดไม่เหมือนกันเนี่ยแหละมันจําแนกอยู่ในตัวเสร็จในเมื่อเรา เ, เมื่อกรรจำจาแนกนะเกิดมาพบหน้าชะนะมันก็ไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้เพราะนั้นขอให้พวกเราทำแต่กรรมดีกรรมชั่วอย่าทำถ้าเราทำกรรมชั่วเข้าไปแล้วกรรมชั่วให้ผลนะตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นให้พวกเราทำแต่กรรมดี เพราะนั้นการบวชในพระพุทธศาสนาการบวชมาของพระลูกพรหลานนะให้ตั้ง อ, อกตั้งใจนะเรามาฝึกหัดเรื่องมาดูเรื่องจิตใจไม่ใช่มาทํางานอย่างเอง่นให้รู้จักหน้าที่ให้รู้จักงานงานของเราคืออะไรเขามาบวชคือจิตภาวนาให้ผูกลูกหลานทั้งหลายภาวนานะที่นี่นะแล้วก็เดินจงกรมบ้างนั่งภาวนาบ้างกลางคืนก็เหมือนกันกลางวันก็เหมือนกันพยายามทําจิตใจให้สงบนะ ถ้ามีปัญหาอะไรขาดเหลืออะไรปัจจัยสี่ก็บอกหมู่เพื่อนบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของวัดหลวงพ่อรับฟังความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่ามีอะไรหลวงพ่อพร้อมที่จะฟังลูกพาลูกพาหลานหเหมือนกันนะะั่นะเพราะว่าถือว่าเป็นพาลูกพาหลานก็คือแข้งคือขาคือตีนคือมือนิ้วไม้จุมือของหลวงพ่อพ่อทุกองนั่นะ มีอะไรที่จะบอกเพราะนั้นหลวงพ่อก็ไม่มีโอกาสที่จะพูดลูกหลานนอกจากตอนเช้าอย่างนี้แหละได้มาพบมาเจอกันมาฉันกันมีอะไรหลวงพ่อแนะนําบอกกล่าวให้ลูกให้หลานบางทีก็พูดวินัยบั่งบางทีก็พูดแนวความคิดบั่งบางพูดก็นแนะนําเรื่องสมาธิจิตภาวนาบาั่งสรุปแล้วก็คืออยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า หลักแนวแถวแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดลูกหลานนะที่หลวงพ่อบอกกล่าวแนะนำลูกหลานอนต่อนนี้ไปพระสงฆ์ร่วมกันอนุโมทนาให้พรรับพรในทันใะน้า